การทางต่อมีเสียงนะเพื่อเป็นส่วนประกอบการปฏิบัติธรรมวันี้เรามาปบปัติธรรสิ่งที่เราทาให้เป็นสิ่งที่เราได้กินิ่งทเราได้ยิงเป็นสิ่งที่เราได้ทานี่ว่าประกอบกันเข้า ทาอย่างไรสอนอย่างไรสอนให้ปฏิบัติตามพวกก่อตามตูบรรลุโคของเราคือพระพุทธเจ้าแล้วทำตามที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทำยังไงจึงได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าตา ก็จะสอนสอนคนธรรมดาซึ่งเนี่ยการเป็นกุศลคือธรรมะต่อ้เป็นเห็นธรรมเห็นธรรมไม่ใช่กายเจนพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมพูดนั้เห็นพระพุทธเจ้านอะไรม่พระพุทธเจ้าทาง่าย ทำอย่างนนจึงเขีนทำมีสติมีความรู้สึกมีความเลือกได้มีสติกายในกายเป็นประจำรูปเฉิยเข้าเกี่ยวเขียนออกมีสติหาใจเข้งหายใจออกมีสติในเวราใดที่วัาบอกพุคณคิดมีสติ ให้เป็นสติให้เป็นความรู้สึกเรียอได้เป็นพูด้ดูแลสานใจให้สติเป็นอย่างเช่นว่าสติอินทีถ้ามีสติเมื่อไปคิดไปข้างหลงังคิดไปข้างหน้าดังที่เราสานที่เราพัฒนา บคนเมื่อวันคิดถึงสิ่งที่ลวงไปแล้วด้วยอะไรมีเหมือนกัน่งวันสองวันสปีสีปีสิปีห้าปีเอาเรื่องเก่าๆมาคิดคิดแล้วกเป็นสิ่งเศ้าหมองเป็นสิ่งที่ฟูๆแฝงแต่ย่อมใจกระจากคมคิดเป็นอารมณ์มาย่อมติดใจ อาตุสิจใจที่อาลงเป็นเจิปาก็มีนานาคตที่ยงไม่มาถึงก็อยากพระวมทำอะไยไม่ได้กับเกี่ยวกวันคือเดี๋ยวนี้ให้นกองรู้สึบตัวอดี่นี้ทำดีเดี๋ยวนี้รับของั่วได้อดี๋วนี้าการวิ่งไปทางอดีตก็กับมารู้สิบตัว ในการคู่แข่งเข้าเกี่ยแขนงดอกผู้สุดโตัวอยู่นี่สอนเหมือนซักเวลานี้มันใช่มันนั่งคิดถึงอดีตเรามาปฏิบัติธรรมมาสร้างสติกลมาได้แล้วที่มันไปอนาคตกลับมาได้ผู้นี้มีอยู่เจไม่เห็นผู้ น, นี้มีอยู่เจไม่มีใครเห็นเราเห็นอยู่นี้ เวลาวินาทีนี้มือก็อยู่นี่ตายก็อยู่นี่ใจอยู่นี่ชู้แขนเข้ารู้สึกได้อยู่นี่เหยียดแขนออกรู้สึกได้อยู่นี่นี่คือปัจจุบันนั่นจะโยธรรมมังกรศาสตร์ตระสวิปสติให้พ้อควรตัวนี้ขึ้นมาให้มันมากแต่ก่อนนี้มันมอมเมียงคือ ใ, ใช่ไหม นอนมองแงด้แหมนะครัมันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกร็มันคิดแต่ฟแต่ือตอาไวต้องมาคิดามาคิดาทีเวลานอนยังเอาเรื่องนอนเรื่องนี้มาคิดจนเป็นปนนอนไม่นนหลับาทีคิดเจ็บปวดขัดต่อตัวเองขอเขาเห็นทําไม่เจ็บปวดต่อเองตอนนั้นแตลยคิดอยู่ ยังไปขืนคิดอยู่จนนอนนม่งหลับเป็นความสุขเป็นความทุกข์ความคิดนั่นแหละหมายช่ชีวิตชีวิตเป็นห้อยปเป็นแขนอะไรไม่รู้ลูกดุขคดิคุณน้อยคงดีแบบนี้เราไม่สนิทเนี่ยรู้สึกเรืดองใดอยู่เนี่ยสอนมันเวลานี้เวลา น, นอนไมาใช่างมาคชิด นอนอยู่ก็รู้ได้การคิดก็นอนอยู่มันก็คิดได้กาสปปงทุกนอนอยู่มันกสุทุกแบเราก็รู้ได้ทุกประโยชน์ไม่มีสิ่งไหนที่จะเฉนอได้ดีเท่า ก, กับของมรู้สึกของร่างกายเราจะนอนหักตอนสนอนจนนอนเราไมชาวะว า, ามกลับมา จะมหาที่ต้งที่ต้องที่วดหอหอกระทำในที่ตั้งมันหลวงกงให้มันเป็นกรรมให้มันรู้กับที่ตั้งนี่ไว้สิบสีิบจังหะให้รู้ทุกตังหวะจังหวะหนึ่งทางกันให้เจินวินาทีมีข้าตัวก็ไม่มาก ให้มันต่อเรื่องอยู่เชนี้หรื อ, อรใดที่มันหลงไปกลับมารู้ถ้าไม่มีคนหลงก็ไม่เป็นไรถ้ามีหลงอยู่ต้องเปลี่ยนเป็นรู้ถ้าหลงไม่เปลี่ยนเป็นรู้ปฏิบัติแบบไหนก็ยังไม่ถูกทํมาให้เราถูกไม่ใช่วิธีการหรือแล้วมันหลงเปลี่ยนเป็นรู้สิทุกคน เวลานทุกเปลี่ยนเป็นควรู้สึกปวดซะเวลามันโก่เกลี่ยเป็นควรู้สึกปวดซะอะไรที่มันเกิดขึ้นจากกาจากใจเปียนมาเป็นควารู้สึกปวดทั้งหมดเน่ให้สุดฝีมือเนี่ยมันจะหนีไปไหนได้ ม, มันก็มั่นใจทุกคนเขาทาแบบนี้ไม่ต้องมีคาถามอะไเก่เงเก่งโก่เกเงไม ม, มีคำถามไม่จะงอกโต ออกได้ที่เตียงคงหลงคงไม้หลงหนึ่งครัง้งน้หลงอีกเตียงเป็น่ลงอีกสองครับมันทุกอีกเตียนกทุ ก, กทข์อารเกิดขึที่มันช่สติเปลี่ยนมเป็นสติเนี่ยี่ว่าทําลงชีวิตนะสติคือความรู้จิกความรู้จกวิธีไหนก็เ่ เดาเรื่องเป็นเรื่องกิดเรื่องถูกมันจะผิดก็ถ้าผิดเกันผิดถ้าทุกเป็นทุกโกรเป็นโกรกปิดทั้งหมดวิธีไหนก็ไม่ถูกก็ถ้ามันทุกรู้สึกตัวไม่ทุกจะนั้นโกรกู้สึกตัวสั่งไม่โกรกจะนั้นหลงูล้สึกตัวไม่หลงจะเปลี่ยนได้อย่างนี้ก็ว่าวิธีไหนก็ถูกก็ อยู่ที่การมาทำมันม่ใช่อยู่ที่รูปแบบรูปแบบของเราที่ทำอยู่นี้มไม่ใช่มาเรียนรู้ยกมือข้ตอวงวงตรงอออกส่วนการตื่นตั้งไมีมีสติเฉยๆตระหาัก เ, เป็นเรื่องมาทากรได้ม็ทำกระดะแต่วต้องสอต่้งทาให้ถูกชวย้เห็นพูดใน้ฟองจากนี้เียว่าตนสองตนอย่าเพิ่งเยืกอไ อย่าไปเชื่อคำเล่าเลยอย่าไปเชื่อํำเมนเะอยอย่าไปเชื่อคำสมสติมาดูสิมาดูจงมาดูก็จองก็เทยเจ้าตัดไม่ดีตักไม่ดีแล้วแั้วทำไปอะไรหัวหมุน ไ, ไม่เต็มหัวไม่หลุนิต็มตัดไว้อย่างนี้ รวมทุกข์มาเกี่ยงร่วทุกเกงตัอดไปอย่างนี้ไปิบัตาางงิตามต่อมันหลงอย่าทำตามหลงมันหลงปฏิบัติตามต่อมคือไม่หลงนี่เรื่ว่าตามไรเดี ย, ยงฮะรไปจร้อยหทั้งคนหมื่นทั้งหมืนไม่ถูกต้องเลยหลงนะโ ก, ไกงดไม่ถูกต้องร่ไม่ถูกต้องเราใช้ชีวิตอย่างรชีวิตเรามาถึงโกดี้เนี่ย นั่นแหวความหลงกับความไม่หลงอะไรมากกว่า น, น้ากระตือรือร้นตรงนี้มาไปที่บดได้ให้ผลได้ไม่จังกัดขาดในเรามัหลงเปลี่ยนไม่หลงได้ทุกชีวิตจะปล่อยทิ้งทิ่งไม่ ไ, มได้ถ้าหลงก็เสียไปเลยถ้าโกรธก็เสียไปเลยถ้าทุกคนเสียไปเลย ทดลองนะครับมันไม่ใช่ม่ใช่พิธีกรรมมันไม่ใช่เครื่องทดลองชีวิตของเราเนี่ยเป็นสียงที่เรารักษาดูแลให้มันคู่ในสติเป็นเจ้าของในสมจร็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลไม่มีอะไรที่แน่นขาดคมรู้สึกความรู้ักถ้าเรามีนะถ้าเราไม่มีความรู้สึกไม่มีความรูกจักก็เถื่อน กาเถื่อนใ็เถื่อนรมส่วนโสดพินิจจ์สดพินิจิตจัดคิดอะไรกิกับุญอุทกุกข์กุกุดจอบอุทกุทกข์คือ อ, อ, อะไรคืืออะไรทุกข์กับอทุกข์ทุกข์กับใครนตลร ทุกคือไม่เรียบกุดจักกุดคืออะไรกุดจับคืออะริดเหมือนกันเขี่ยหรือว่ากันเขี่ยไม่コッコッ้อไรอ่างเงี้ยนะพู่หมดเลาเองมอเอหัวูหัวูหัวหูที่ะรทุกจับกุดจัก นี่มัน ส, สัมโสมันไม่ใช่เช่นนั้นจิตใจของเราถ้าเราไม่หัดก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ว่าอารมณ์เราโคตรตามดึงไปดึงอไปน่นดึงไปนี่อารมณ์ไม่ใช่ใจถ้าเราไม่รู้กันว่าเป็นจังสรกบางทีทําตามอารมณ์เกลียเปรียบอารมณ์เวลาเราโกรธทำตามของโกรธความโกรธไม่ใช่ใจใจไม่ได้โกร มันเป็นอุทุกขจอบกุกุดจับมันเป็นคืดเหมือนะเลคืดไม่ใช่นะนะไม่ใช่คืนมันต้องเรียกคิดใจมันประพัฒสมปกติมันข้าขาวสะาท่านอย่งนี้ขาวเทียบขนานโดยสุดแกนมันสิ่งสีขาวมันหมกมันก็เพื่อจะเป็นสีอื่นได้ อย่าเปอารมณ์าเป็นใจแใช้อารมณ์ตามตามอารมณ์เสียเปรียบควาโกรธเสียเปรียบวทุกข์บาทีมรก็เสือทำรารคนอารมณ์ตัวองก็ทำารก็อื่นก็ไช่ิชีวิตไม่เป็นอซึงมาดูเรียนมันเป็นเรื่องจริะ ถ้าไม่ที่สติไม่มีมสัมปล่อยความหลงของชีวิตลงคามคุ้มยควดีูเกิด น, นีใจก็เป็นจิตใจไม่ไม่มั่นตราบ า, าเทีคุ้ลยคุดีเรื่อยนควกงันเป็นปไม่ถูกสอนไม่เคยอกรลอสั่สอนตัวเรียนผท่รเป็น อาจอึดมาบาทีก็ไม่ดูเลยมากแต่จิตหาุดตรจิตโตสัตวิตงูหายิตออกหน้าออกตอาลวงหลงออกรับตาเห็นลูกหลงออกอลับพอใจไม่พองเห็นเสียพอใจไม่พอใจออกลับเห่า ไม่มีสติปัญญาไมมีสติรู้เลยมันคิดเห็นมันคิดคิดในสองลัษะไม่้ไม่ได้ตังคิดความคิดขึ้นมาเองทนั้นักเกได้อนที่ความคิดขึ้มตั้งใก้ด่ขี่ไปดู ความหลงเต็มควารู so, Same, nice. tan, so, A, ้ค <c palace> ิดที่ตั้งใจก็ไม่จำเป็นเวลานี้ไม่ใช่มาตั้งใจคิดอะมาฝึกกรรมฐานอบรมาทํานรมชีวิตให้มันได้ชีวิตใหม่ๆต่ยอดใหม่ๆยอยอดใหม่ๆมันก่อทมากแยอดจนเติมมันเป็มอึนไปละ เลือกคัดทอดออกมาเหมือนเราเลือกข้าวเข้าวันเอาแค่บอกวองทอดอทอดนะก็ได้คันใหม่เป็นแบบยอดหม่ยากหลงใจไปกองไว้หลงยิ่งแบยอดหม่ถ้ามีทุก็ไม่ทุกเป็นยอดใหม่ถ้ามีปวดก็ไม่ปวเป็นยอดม่ใหม่ มันจึงจะเป็นปี่บัติธรรมปฏิบัติธรรมคือเขียนน้อยเป็นดีถ้ามันไม่มีน้อยันมีทุกอย่างเท่ากนนั่นแหละจำลองบัตผลไม่พอหนูเสียใจเราเจอมาบางทีมันไม่เป็นไปเองนั่นใช่แต่เปิดจากป h a r ที่ของเราเนี่ยแล้วก็เปิดเพื่อนโอเพื่อน จากเิดเดินได้ก็เป็นนั้นใหม่ก็ซะเร า, าจะมาทำมันทำไม่ยากสามารถยกยิตปฏิบัติตามให้ผลได้ประจำตาอเชิญมาดูเชิญมาดูมือเราวัดสองต่ารู้เส็ยไหม ส, ส้องขาดตซีมืออยู่ไหนรู้เส็ยตัดเลได้ไหม ให้เป็นคนรู้มีคำสอนก็เรียนไหมแล้ววางมือรล้ววางบนโต๊ะนั้นต่แค่มือขึ้รู้ได้ไหมยกมือขึ้นรู้ไห ม, มสังหารกับความรู้จิตให้มันรู้รู้สึตรู้จิตรู้จิตอ่เนี่ยตัวมันอะไรเช่นมันเกิดขึ้นมาแล้วตานที่เร า, าตอนจะดีนี่มันจะเขียน เคยการพบเห็นตับม่หลงเห็นลงกับมหาทตั้งปัติบัติีึกษามหาทิฏฐ์ญาไปเห็นชอบกันมาพระญาไปหลวงพ่อตาเขาวิจิตรบานถึงที่หนุ่มแล้เขามาปฏิบัติกลับมาไปเท่ากันดียวนี้รู้งสุดตัวนี้กลับมาจากอาศัยมิหนึกอาศัย็แบบธรรมะ นิมิตเป็นที่ดึงเราไว้ไม่ใช่หาคำตอบจากความคิดแบนใหม่นั้นเราก็เรียนกไก่หัวขาดปุ่นนิมิตอย่างที่ตั้งกอไก่ต้องเดินอยู่ในกระดานเขียนตาม้องไปเขียนไบ่อยเขียนไปบ่อยดูไปบ่อยเขียนไปบ่อยไเขียนเปงั้นก็บางทีก็เป็นสัญญาบัตร มันต้องเียแล้วบอกันอยู่ในจิตของเราตอนเสียน่ารู้ความหมายโดยตู้สิตกวรู้จิตนวรก็เป็นเทอมันซึมว่าฝัมันมีไม่เสียไปไหนถ้าหมืนอนความคิที่มันไหลมั น, น้าที่มันไหลเรายอนกระสอบ ช, ช้อยเจกระสอบหนึ่ง มันยังไม่เห็นกระสอบซอยพ้นหนาแต่ให้กระสอบซอยไม่นนไหนีไปไหนอยู่ในนั่นแหละอยู่ในร่องห้านั่นแหะโยนลงไปอืน่นโยก็งไปหลายสอบหลายสอบหลายสอบมันก็พ้นน้าํามจนหมดกลายเป็นขื่อ น, นกลางสติที่ละน้อยระน้อยเนี่ยจนเป็นมหาสตินินาทีระ ล, ลูก สองวินาทีก็ได้สองลูกชั่วมงหนึ่งสองมันหนึนวินาทีถ้าชั่วงมงหนึ่งก็ได้ลูกทุกวินาทีก็ได้ถึงสันงร้0 0ลูกว่าหาลูกเกิดขึ้นในแน่นอนเมื่อมีความลูกเกิดขึ้นขมลก้กดน้อยป่มันเป็นอย่างนี้อันหนึ่งมันมีขึ้นอันหนึ่งมันหมดไปเหมือนกระสิอสว่างเกิดขึ้นโคมือ ก, ก็หมดไป ความมืดม mm ีมากแสงสว่างก็ไม่มีนั่นก็เป็นธรรดาอยู่นี่เราจะทำไม่ใช่หาคำตอบจะต้องคิดถึงกานจะทำมาลู่มรลู่มาลูเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกน้อยอย่างเมื่อมีสติตรงนี้โดนละความชั่วเมื่อมีสติความเมตตาอยู่นี้ไปทำความดี เมื่อมีรู้สึกอู่นีารสเป็นไปเองแล้วคน็เป็นเชรนกันหมดปีสติมัองี้สต้งใจอยู่นี่สมมติใช้ใจทรู้อู่ทุกทีหมดสิงแบบสมาิที่จยู่หน่รู้งรู้องรูือกระบวนลเ้ารู อันใส่ใจที่รู้นี่วัตถุวัิไม่ใช่นั่งหลับตาไม่ใช่นั่งหลับตาหลับตายังไม่มีวติหก่นคุ้มคิดอยนีสมัยที่อ่ใเยห่ง่าเดีนเฉพาะคีสติอยู่กับการเดินส่ใจที่รู้สมมน่วัิเราได้มาใช่ครูหลงไปเพีนหลงเป็นรู้ที่บอกปัญญา ปัญญาที่ไหนนี้ยม mm ัใ hmm. ช่หาความตอจากความคิดเหตุผลปัญญาพุทธะนะเหตผลจะนั่นเลยเุผลยังไม่ใช่สติธรรมอาจะข้ากาเพื่พกคนนะแต่ฉันจะเท่าีปัญญาเนี่ยมันหลงเพี้ยนหลงเป็หลงนี่แหละคือปัญญาเพียนได้ก็ดีเกี้ยนผิด็ปัญญานี้เป็นปัญญาพุทธะ พุทธะพุนุพุทน์ผู้เบิกาเห็นดลงเห็นทุกข์จึงเป็นผติถืจเห็นทุกข์จึงปลอดกวามตัว่นเห็นมันทำมคนผ่านมันเราเห็นง้นจากเหน่เห็นอะไรก็พ้นใจ้ตาภในสติสมัชฌาะโลกม่ไม่เหมือนกบตาเื่อนะ อย่าไปเชื่อไปเชื่อกันมาเท่าท้องอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้เห็นมานั่นแหละสรัทธาไปกินน่ะโอ้ไม่เคยดูแลตัวเงเลย20ปีน้อยไม่ไม่เคยดูแลชีวิตของตัวเองร้อยก็ปล่อยทิ้งจิตใจก็ปล่อยทิ้งก็ไมั่เงเนี่ยตื่นรุ่นเด็กสวยสวย สงสารตัวเองเกี่ยวกับการเ้นอนี่ยได้ตัวเลโกกนี่ยโกก็หาปมสติทนที่เคยงเลอก็ายไปกลายเนมิตรภาพในชีวิตไปเลยด้ชีวิตที่ว่าก็หม่อมชีวิตที่ไม่เกิดอะไร แต่คนไม่ได้คิดเลยเป็นสังกัตายไม่แต่ลูกนาวลูกนาวไม่ใช่ติุกาม่หนความพอใจไม่พาใจเกิดความรักควาเกิดชอบควาเดียสมมุตเป็นหยาว่าชอจริงอันเยสมมุตนหยาบว่าชอจริงอันเดียวสมมุปนหยาว่าไม่เอาสมมุติเนหยา ให้เป็นจักไม่ใช่ปรมาจักรไม่มีนปรมาจักไม่รูจากรวมหลวงเป็นสมุติปัญญาความไม่หลงเป็นปรมาจักรรวมโคดเป็นสมุติปัญญาความไม่โคดเป็นปรมาจักรไม่เคยเห็นเลยแบบนี้เคอดูเรื่องเห็นคู่ความข้องความหลวงว่ามข้องกันควกมไม่หลวง ความรู้าพร้อมกันจะบคมรู้วมโสดมาพร้อมกันกัความไม่โสดความเจ็าพรอมกันความไม่เจ็บความเจ็บมาพร้อมกันวามไม่เจ็บอะไรต่อไปนะาวอย่ตายมาพรอมกนกความไม่ตายโดยีเ็นเป็นสัมมาทิฏฐิแะกต้นก็จะเียนรู้สึกว่าเียน เห็นทุกไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจาทุกนันไปแล้วเห็นกวามดไม่เป็นผ AH ู้ปวดพ้นจากควาดเห็นความเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บค้นจากควาเจ็บเห็นนี่มันปวดตายเห็นเนี่นปวดตายมันหลงเป็นผู้หลงเห็นมันหลงแล้วไปจากเศาแล้วเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลง ไม่นถ้าเป็นผู้หลงยากนะทุกข์ับกระตุ้ัตาานะถ้าหลงเป็นผู้หลงเปทุกข์ับกระตุ้นตาาไม่บรรลุธรรมนะถ้าหลงหน้าถึงหน้าหนี้ไม่อยากให้หลงต้องหลงไปตั้ญแต่แรบสติไม่ได้เป็นอย่างนั้สติเห็นหลงเห็นยื่งยิ่งไม่ตือหลงเห็นมาหลเลยไม่เป็นผู้หลงพ้นจากวมหลง ไม่เหมือนกับวัดท่ไม่เหมือนก็บวัดอื่นนี่จะเห็นจระเข้กันนี่จะเห็นมันถูกก็เห็นมันถูกมันเก็บก็เห็นมันเก็บมานสงบก็เห็นมันสงบมันไม่สงบก็เห็นมันไม่สงบนี่แหละคืออมน์ต่อว่าที่เห็นและว่าที่ดูเนี่ยมันก็เหนือกแต่กินก็ยำแต่ละ จะอยู่เหนือโลกไปแลอยู่แนอย่างเงี any of any of 네้เหนือโลกไปแไหนหมดลยสุกแตมันสุกมันเกิดควสุกอนทุกแต่มันทุกมันเกดคมทุกมันไม่มีรสชาติไอ้ความทุกความสุกว่าไงนจะว่าเหนือโลกหรือว่าน่นแปรเดีนระเทต่อเรียกว่ะเหนือโลกสุกสุขประสอยู่อยู่กบโลกทุกแลทกอยู่โิพยแทิพอยู่บโล ตะติดจะมาให้เราอืู่เนือสูงขึ้นไปมีสติตเป็นจิตวิสัยสูงขึ้นไปไม่มีค่าไม่มีรสชามองเ็นมันของลูกเป็นมันลูกสงบผมมันสงไม่สงผมมันไม่สงเห็นลูกเห็นตังลูกไปลูกเห็นมันไม่รูกมีสติอยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวเห็นอะไรกันอ่ะ นด้เงินสดไแล้ ว, วลและเป็นแบบนี้สิที่ยอดสูงากขึ้นมาเหมือนขึ้คบขึ้นเขาก็เป็นแบบนี้้นคบขึ้นเขาปฏิบัติทมันมีความยากความง่ยเห็นง่ๆแเป็นเงียกนะถ้าเป็นขิดอยากให้ขีดมันก็ขีดให้ขีดแต่ความทุกก็เป็นอัตถีมัธโยเครืถึ ง, เ น, ถาถางนเต็ คำเกี่ยนะว่าเทวเมง่าเทวโมงเปสี่ยนกงโม่สุมาโมเป็นเรื่องยากไม่ยากใหังโอกมเอาขเป็นปัญหาไม่อขวบโมเป็นปัญญาและก็เลยเป็นอัตถะทิมเถื่อโย่ปฏิบัติตามบอกรู้เรยากไม่ใช่ไปทรัพมอ เอาทเต็มท we Under ี่เอาถูกเป็นถูกอัดทับเป็นต่โยนละหลงเป็นหลงทุกเป็นทุกปวดแทบปวดเป็นเกาไม่สังเกตุการปนแยเป็นไปไม่รู้จบดูเลยรักษาเลยพักชีมองตาเปาเพียเห็นเพนเห็นเห็นตรงนี้เป็นตาเปล่าหรือไม่เป็นตั้งแต่ต้นเลอ ไปน่ายมากเหมือนเหมือนง่ายเลจากที่สูงสู่ที่ต่อลุกลึกเหมือนฝังเลยลุกลึกลงไปเรื่อยเยี่ย ไ, ไ, ไปไหลไปเกินไม่เป็นคนจากตลาดที่เป็นที่ยงไปสู่มอกสู่ฝนจนกระเสแห่งา จะมีสติจริงๆเป็นเกษตรเห็นคนได้เกษตรนะได้กเนะดกษตรอย่างไรตัวมันหลงไม่เห็นเมล็ดหลงมันนะเสษตรฮิตหรือไม่ไม่สุดเกษตรเห็นหัวเสถ้าหลงในคอนเทนทตหรือไม่เป็นเกษะเงิ น, รปปรนเราหลงหรือไมหลง นี่เราหมทุกอย่างมาทุกข์าต้องโกธเราโกรธมีควกมมีปว า, ป า, ปาเปี่ยนดูเปี่ยนดูที่ได้แควรจะหน่อยควรจะหน่อยบาทีมันมีอารมณ์มามาเกิดจากอะไรมาปฏิัติกรรมมาหลักฐานปฏิภาณพยาบ า, าทบางทีมันใช่มาทีเา่เกา่าๆมันใช่ออกมาม่นเคยใย่ม่นเคยท่องเที่ยวในชีวิตของเรา มันมาใช้ชีพเรามากแ ล, มลยมันเลยมันชูให้กอดก็มเรื่อนเกิดขึ้นมามาถึม า, มาติดแบบบางเรื่องที่เกิดขึ้นมาต้อคิดถึงคนละทําำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้บางทีเมื่พูดออกมาตรงทีก็คิดเป็นเรื่องเป็นปัญหาสั้งคาจิตใจ กำลังปฏิบัติอยู่แล้ไปถามเป็นไงหนูห <c oughs> นูมีลูกสองคน嘛หนูจิลี้ย ล, ลูกได้ไงน่นงะกังปฏิบัติ <c oughs> ไม่ใช่ไหมคิดถึงเลี้ยงลกูกให้มาจิตลยสตินะภาษางเงี้ย้งสิสิบแปนลูกสองคนจิตโตม่จิเลลูกปบไหวไหม ตอนนานีจากไปก็เช็ดหนักกเช็ดเลี้ยงเลียงูเวลามาปฏิบัติมอบขอ ง, ของลกูกของคนอ่อลมันข้าวาติดจัดอารมณ์ข้าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มาเช็ดเลี้ยงเพื่อรูอ้มาปฏิบัตินั่งปฏิบัตินางทีก็มีทนายบ่าแต่ขึ้นบางผู้บางคนเราก็เคยมี แม่มีใครที่ไม่เคยทำให้เราได้เจ็บปวดเป็นทุกทุกคนมีมาเหมือนกันมีคนอื่นที่ไม่เจ็บปวดเป็นทุกข์ก็มีมีคนอื่นที่ไม่เป็นสุขก็มีเหมือนกันแต่ทุกคนก็ว่ า, ากันบางทีก็พูดเถีงสาะมีมีปัญหาเจ็บเจ้าลัมตาสี ต้องการสามที่จะมาปฏิบัติเสร็เล่าก็พอช่วยได้แต่ต่อมาก็มีผู้หญิงอีกคนห น, นึแล้วก็ลำบากใจเป็นทุกข์ยงก็มีแต่คนอื่นที่ไม่เป็นทุกข์ก็มีนมให้เอาคนอื่นเขาเอาสอนมาเสียบจิตใจลเป็นทุกข์คนอื่นทำไงเรื่องเขาทำไม่ดี เป็นเรื่องหนึ่งตาเราทำไปอยู่แล้วเป็นเรื่องของค น, ค น, คน เ, เราคนเขาแม้คนเดิมเคนเราที่ทำจนนั้นมันก็เป็นอนิจจามันท่าไม่ท่าแต่เราต้องรู้ว่าคนแบบ น, น, บบนี้หรือคนแบบนี้จังคือไม่ได้เอาคิดไปห่อไปจันคนอย่างนั้นเลยหวาจาัดมันมีสติจัดไม่ต้องกระหา คำตอบจากความคิดเหตุผลไปแค่ทำยังไงทำไงมานนะเข้ากับภาษาฝึกหัดไปลูกสึษย์ตัวตายอย่างนี้นะผมนะอยาไปคิ ด, ดนะเราทำนี้ไปลูกศิษยบตัวไปก่อนูกศิษย์ตวตายบทีไม่ได้แฉ่ไม่ได้แค่มคนันหมดไปเองคือทุกเรื่อคนอื่นเคยมีปัญหาแล้วนะคนเห่านัจะ แ, แค่ไปเอง เห็นความเท็จความเพียงเป็นเช่นนั้นห้ามไม่ได้เขาจะจ่าเขาจะว่าเราห้ามมาไะแต่เราห้ามเราได้แต่คนเราอันตรายคนอื่นมาให้เราล่มเหลวเราไม่ล่มเหลวร้านน้ำทำให้เราล่มเหลวเราไม่ล่มเหลวเคยพูดแต่นี่สมัยไหนเคยดยแลรักษาต่อม้อย่างเป็นกเมื่อแล จริงจังพาสนาชงจนอยาจริงจังจะ ไ, ไม่ไมั่นจะไม่แก่นมินทองแป็นดิบคบไม่ให้มเล่าเมืองปรงุริย่อมเหลวตั้งชาก่องว่า้องตนองว่าราจกากข้ า, าวน่อมเหลว งานการล้มเหลวรักษาปาปาทั้งหมดรักษาสัตว์ทั้งหมดสอนใม้ควานกินเหล้าก่นันกินเหล้าฝนให้ก่อนร่วมกันสมาธิทราบจบลงต้องล้มเหลวมีปัญหาเรื่องกรรมการเอาชิ้นแไปเยต่อก็อต้เลยาล้มเหลวแต่สิ่งที่ไม่ล้มเหลือคือชีวิตไม่ใช่ความสิ่ของเราบามาหมดเาเความสิของเรา ศักดาเหมดมาใช้ควติของเราคติดเล่าเบหลือมช้าติดของเราบอกแล้วเราทาแล้วทาสุดฝีมือแล้วเรก็หว่านใไม่มีอะไรขาดระบบช่องเราเกโรคล้อมขึ้นมาไม่ใช้คติดของเราอะไรเช่นเหลือล้ขึ้นาช้คติดของเราเราไม่รองไห้ เกิดยิ่งจะทำะทใหอากาศสทน้ำรปวดมาช่วยความดืดของเราอสุดความนะหว่านี่ก็เปเรื่องหนึ่งที่เราไปบำเราอยู่ด้วยกันนี้บอกแล้วนะมชินน้อยคหลงม่ชินะความหลงเก่งกว่านะครโกรธไม่ก่นะไม่โกรธงนะ อย่าทำตามควมไม่จริงนะความทุกข <c oughs> ์ไม่จริง <c oughs> ความทุกข์มันจริงเลยยิงไหมเอาไปขัดหรือบัตถ้าทุกข์เป็นทุกข์หรือว่าไม่ใช่ความเกิของเรานาะไม่ใช่ครามเกิของที่นี่ น, นะที่นี่สอนอย่างนี้นะถ้ามันเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ใช่มาอยู่ที่นี่นะเยิ้นสูดีอยู่ก็ไม่ใช่มาอยู่ที่นี่นะเยิ้นหลงอยู่ก็ไม่ใช่มา มาเอาที่นี่นะที่นี่เขาไม่หลงนะที่นี่เขาไม่ทุกนะทนี่เขาไม่โกรธนะว่าอะไรนี่ได้ไหมแล้เขาหลงกังสุดท้ายนะ <c oughs> พนเพิ่งโกรธกันสุดท้ายนะเพงทุกนกันสุดท้ายได้ไม่ใช่จะหลงจนตายโกรธตนตายทุกจนตายแต่ยังโกงโรธยังหลงยังทุกอยู่ก็สมัยแล้วเราเป็นคนเนะราเนีรยมาทำหชีวิตอา่าจะเรียนทำปฏิบัติรำ เนการทั้นมาสมกับกับข้าแต่หลายคนผู้น่อจงตัวรับชอบกัเทื้ชาติพวกเาเราต้อนับหนึ่งาจเรานี่ยนหนึ่งเราเนับเด่นก่อถ้านับเด่นใเราเนี่ยก็เป็นสองนสาไปนึ่งมไหมมีสติเรานั่งอยู่นี่ก็เลยเกี่ยวบสองรอดปอชวตมองจปแล้อยู่เพียที่ ฮะเรามีสติเป็นคนคนเดียวกันด้วยนบซึ่งทาให้เรานั่งนี้เป็นคนคนเดียวกันมีสติเป็นลำลูกสิบตัวตรนี้ทุกคนมีสติยกบนขึ้นจะพูดปเมือมามีสติทำให้เราเป็นคนคนเดียวกันทํามีรักอัศจรรย์นะเป็นเรื่องอัศจรรย์ให้ปฏิบัติให้มีผลหน้ตามต่อ ยิ่งเห็นจริงการทำที่คนรู้คนหตามทุกคนแจกผูก้ปฏิบัติเป็นปฏิปจจตางของคนนั่นเองทมได้อย่างนี้ทมได้อย่างนี้ดีขึ้น ก, ก, กว่าเก่าคาดีขึ้นเก่าหรือว่าพิัารา่วงพ้นภาวะเก่าเ ก, าเกา่า่วงพ้นภาวะเก่าเ ก, าเกา่าจริงๆเคยโด่หไเป็นสิงที่ตอบได้นในชีวิตจริงๆเฮยทุกม่ทุกเฮ้ยโกรธไมยโกร มีสติของชนะลูกเสือลูกจ่าอยู่ ก, ก, ยกับโลกและโลกก็จะนินทาสรรเสริญเราก็ไม่หวนหวนเรารู้แล้วเรารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไม่ไม่เป็นไปกับสิ่งที่โลกเรากาในตุในในโลกไม่มีที่ให้ตั้งไม่มีที่ให้หวาไม่เห็นข้าจากรถของโลก เราไม่เป็นอะไรไม่มีสิ่งไหนที่มันหยับให้เราเป็นอะไรได้เราไม่เป็นอะไรอยู่แล้วด er ังนั้นพิสูจน์ตัวอย่าไปเชื่อใครตัวปฏิบัติตัวเป็นเช่นดลารูึกตัวเป็นเช่นใดตางกับความหลงไหมเวลาหลงเปลี่ยนเป็นความรู้ทำไปทำมากมาย ถ้าไม่เคยก็ลงทดลองดูจะได้คำตอบเสริมช่องทางจะร่วมค้นเพาเก่านียกว่าวิปัจสนาเกิดขึ้นมาที่ตรงนี้เมื่อได้มีปัจสนาเกิที่เ็นกระเสภายในคาไม่จนไม่จนเราจะสอนคาเนึง ถ้าวินาทีอรา จ, จะทำได้นะเพราะเห็นกระเสบมาแล้วไม่มืดเกิดได้เคทำอย่างนี้เปยทำอย่างนี้บกันไป ว, วายพะโจน์ัวเอาได้ถ้าเราไม่เคย ก, กับมืดนะเห็นไม่เป็นอาทรเกิดที่มีฟ เ, เราไม่ไน้นองเกิดเจอกจะจายในตัไม่เที่ยงตัวมทุกข์ไม่ใช่ตัวตน เราเป็นทุกข์ามไม่เที่ยงถ้าเป็นทุกข์กองเป็นทุกขราเป็ทุกข้เราเป็นทุกข์รวมเป็นทุกข์พอให้เราไม่เป็นทุกข์รวมไม่เที่ยงเคยเป็นทุกข์เราปองไองเที่ยงกลเราไม่เป็นทุกข์นั้นขีดหนี้นั้นเปอย่างนี้ไม่ใช่ยอมรับไม่ใช่ยอมลับมันมีทางออก งันวเจ้าก็สดไวไม่ปิดสูเห็นควม่เที่ยเป็นทนิานะเดินสุนันเห็นความทุกข์เป็นทัศนิานเห็นกวามไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นทัศิฐานเลี่ยนร้ายเป็นดีอย่างนี้เราสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นผู้ที่้าเห็นทุกข์เป็นการเห็นบเสดจำเห็นทุกข์เป็นคนทุก ทุกข์แค่ทำไมเกิดเป็นพุทธเจ้าแบบนี้นะจพุชนเอาทุกข์มาเป็นทุกข์พุทโธเป็นทุกข์ปุพพิอาทุกข์มาเป็นปัญญปัญหาเป็นปัญญาสมควรจะรู้วาพวกเราต่าอัก